ก็เกิดพุทธโกราหนขึ้นพระองค์ก็ปฏิญาณรับปฏิญญาแก่เทวดาทั้งหลายพระองค์ก็จุติจากฤาิีถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุชาดาเทวีในราชสกุลของพระเจ้าสุนันทกรุงรัมมวดีในขณะที่พระองค์ทรงถือปฏิสนธิก็บังเกิดปาฏิหาริย์สาประการดังที่กล่าวแล้วในวงของพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรพระองค์ก็มีเหล่าเทวดามาอารักขา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 ถ้าเจปีก็พระศิวะลีแล้วพระองค์ก็อยู่ในพระคันเนี่ยครบทศมาท่าสาแล้วว่าสิบเนี่ยนะมาสับแล้วว่าเดือนทศทศมาศก็คือสิบเดือนผ่านไปก็ประสูติจากพระคันพระมารดาพระองค์นี้เป็นยอดของสัพพสัตทั้งหลายยอดก็คืออัคระนะถ้าเป็นต้นไม้ก็สูงที่สุดแล้วว่างั้นนะพระองค์พอหลังจากประสูติออกมาก็บ่ายพระพักไปทางทิศอุดร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 เคยเห็นแบบหวาดเสียวพูดทั้งสะดุง้งพูดทั้งหวาดกลัวพูดด้วยความหวาดระแวงเป็นต้นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นโปร่งเปล่งวาจาด้วยความองอาจว่าอโคโหมัสมิเชธโทเศธโโลกัสะอยะมันตินติชานิปุณัพโวเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกหมายความว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะเลิศ ก, กว่าเราอีกแล้วในบรรดาสัตว์สองเทาสัตว์สีเท่า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 นั้นพระองค์นั้นจึงไม่ได้เกิดเป็นจุดพอพระองค์ดับขันปรินิพานแล้วพระองค์ไม่ได้ไปปรากฏตัวที่ไหนในภพใดภพหนึ่งเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าพระพุทธเจ้ามาหาเขานี่ก็คิดให้จงมากไว้ก่อนนะนะเพราะว่ามันก็ขัดกับพุทธพจน์หลายแห่งด้วยกันบอกว่าเขาเนี่ยพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมเป็นปกติเลยอย่างนี้นะบอกว่าพระพุทธเจ้าคนละองค์แล้วละคนละาศาสนาแล้วละประั้น ในวันนั้นวันไหนก็คือถัดจากวันนั้นไปวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์นั้นพระประยุรยาธทั้งหลายก็ขนานพระนามพระองค์ว่าโกนทัญญะความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีโคตเป็นโกนทัญญะโคตนะพระองค์เกิดในตระกูลอะไรเนี่ยตระกูลกษัตริย์นะ แต่ก็เป็นนามสกุลโกนทัญยะก็เลยตั้งชื่อว่าโกนทัญยะเนี่ยนะแสดงว่าเป็นบุคคลพิเศษเนี่ยนะเชิดชูวงตระกูลได้ตั้งชื่อเป็นตระกูลไปเลยเนี่ยนะความจริงพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะมีโคดเป็นโกนทัญญะโคดเล่ามาว่าพระองค์มีปราสาทสามหลังที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งคือรามสุรามะสุภปราสาท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 มันเราเมื่อไปผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเราควรจะแสวงหานิพานที่ไม่เกิดเป็นธรรมดาเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาก็ควรจะแสวงหานิพานที่ไม่แก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็ควรแสวงหาพระนิพานที่ไม่เจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็นะเราเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็ควรแสวงหาพระนิพานที่ไม่ตายเป็น ธรรมดาเรามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ควรจะสแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเรามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ควรจะแสวงหาพระนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาพราะคิดได้อย่างนั้นก็ออกบวชก็สแสวงหาว่าอะไรคือกุศลสแสวงหาสันติวรบดอย่างนั้นแหละก็เลยพระโพธิสัตว์ก็เลยออกพิเนสกรมด้วยรถทรงเทียมมาย้าแสดงว่าม้าคู่หนึ่นงนะนั่งรถบวชเลย พรงผนวดแล้วบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะด้วยความภาคเพียรพยายามอุตสาหะเจริญสมถาวิปัสนาอยู่10เดือนนะสิเดือนพระโกนธัญญา ก, กุมา น, นั้นผนวดอยู่คนสิบโกรธก็บวชตามสเสด็จตามพระโกนธัญญา ก, กุมา น, นั้นบริวารมากเหลือเกินเลยนะแสดงว่าตอนทําบุญนี่ขยันชักขยันหาพวกอันนะั้นบุญไหมนะ่ะไปด้วยกันไหมอะไรแสดงว่าขยันหาพวกบ่อยก็เลยมีบริวารเยอะนะนะคนเหล่านั้นแวดล้อมแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่10เดือน เธอไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมท่านมีบริวารมากมายก็ท่านนะเป็นนักทำบุญทำบุญอย่างเดียวมาสิบหกอสงไขยแสนกับคิดดูว่าจะมีพวกขนาดไหนนะ อย่งเราพันพวกนี้เนะี่ยบอกว่าทําอะไรบอกด้วยนะก็จะมีแบบคล้ายๆแบบนี้ตลอดถ้าท่านบวชก็ชวนบวช ด, ด้วยนะพันก็บอกได้ข่าวว่าออกบวชอันนี้ไม่ต้องชวนตามไปเองเลยก็คือผู้มีบุญเขาก็เป็นอย่างนั้นบริวารเยอะนะเพราะว่าอาดีตทําบุญร่วมกับผู้อื่นมามากพมันผู้อื่นก็ไม่ทอดทิ้งและท่านก็ไม่ทอดทิ้งผู้อื่นเนี่ยนะก็อไปก็ไปจะไปด้วยก็ไปก็เลยติดตามบวชเยอะแยะไปหมดเลยไม่บวชเงาเนาะนะนะเรื่องเนาะมีตามไปเท่าไหร่นะ ตามไปบวชตั้งหนึ่งนะเพยทีนี้พระองค์นั้นก็บําเพ็ญเพียรบวชบวชสิบเดือนนี่แสดงว่าบวชวันไหนบวชวันอาสาฬหะอาสาฬหะก็คือวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระองค์ออกบวชบวชไปสิบเดือนจนถึงเพ็ญเดือนวิสาขะเนี่ย น, นะมันเพ็ญเดือนหพระองค์ก็สเสวยข้าวมาัทุปายะรสอร่อยอย่างยิ่งซึ่งที่ดาเศรษฐีชื่อว่ายโสธรา ยะโสธรเนี่ยนะยะโสเนี่ยยสะแปลว่ายศยศอ่ะนะยศหรืออำนาจยสะเนี่แปลว่ายศธระแปลว่าส่งไว้ยะโสธรก็หญิงผู้ส่งไว้ซึ่งยศแปลว่านางผู้มียศบริวารมากเป็นต้นนั่นเองเรียกว่ายโสอย่างเมืองยะโสธรก็เมืองคนมียศนั่นแหละเมืองเมืองเมืองมียศอ่ะนะเมืองมียศยะโสโอหังเนี่ยที่จริงอะยะโสตัวนั้นเนี่ยแปลว่ายศโอหังก็อหังก็คือสำคัญตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้มียศไง ยะโสโอหังก็คือคนที่มีความมีแต่ความมั่นใจว่าข้าเนี่ยมีอำนาจมีบริวารจะทำอะไรก็ได้นะอันนั้นหมายว่าประกาศถึงความลำพองที่เกิดขึ้นก็เลยเรียกว่ายะโสโอหังเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆคำว่ายะโสเนี่ยแปลว่ายศนั่นเองทระส่งไว้ซึ่งยศนาง ยโสธราเนี่ยนะซึ่งเป็นธิ่ดาของเศรษฐีที่มีความงามเนี่ยอยู่ณ ห, หมู่บ้านสุนันทคามน้าก็ได้ถวายข้าวมาทุปายาเสร็จแล้วพระองค์คือพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ยับยั้งพักกลางวันณป่าต้นสาระที่ประดับประดาด้วยผลและใบอ่อนและหนอ่อต้นสาระที่มีทั้งลูกมีทั้งใบอ่อนมีทั้งหนอก็แปลว่างดงามนะในเวลาเย็นพระองค์ก็ละหมู่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 ลาเพื่อลาลาหมูคณะไปเองเลยก็รับยาแปดกรรมที่สุนันทาอาชีวกถวายแล้วพระองค์ก็มาทำประทักศินต้นสาระกาละยานีต้นขานางเนี่ยนะลำต้นสวยก็เลยเรียกว่าต้นขานางครั้งนั้นพระองค์ก็สํารวจดูทิศนะนะจริงๆก็ตรวจดูทิศเ่งก่อนนะนะไปวางพวกยาเนี่ยจะไปตั้งไว้ในะทิศใต้ก่อน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 พระองค์ก็ทําประทักษินต้นสาระกัลยาณีก็สํารวจเห็นเป็นทิฏบูรพาก็ทําต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ไว้เบื้องพระปริสดานั่งหันหลังให้กับต้นโพก็ต้นสาระกัลยาณีก็เรียกว่าต้นโพคือแล้วแต่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยไม้เลียบเขาเห็นไม้เลียบปั๊บเขาจะเรียกต้นโพนะนะถ้าหากว่าอย่างพระพุทธเจ้าโกนธัญญาตรัสรู้โดยอาศัย ต้นไม้สาระกลยานีต้นขานางเพราะสมัยนั้นเขาเห็นต้นขานางเมื่อไหรเขาจะเรียกว่าต้นโพของเรานี่พระพุทธเจ้านั่งโดยอาศัยต้นไซใบเนี่ยนะหรือว่าโพใบเนี่ยแล้วตรัสรู้เราเห็นต้นไม้เหล่านี้เราก็เรียกว่าต้นโพเสร็จแล้วพระองค์ก็ปูราดหญ้าได้กว้างได้58ดศอกเพราะตัวพระองค์เนี่ยใหญ่เท่าไหร่88ศอกใช่มประกอบประทับนั่งขัดสมาธิอธิษฐานความเพียรอันประกอบไปด้วย องค์สี่เนี่ยนะว่าจะร่างกายนี้จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกนะเนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้าไม่ได้ตรัสรู้อิทธพลที่ปรารถนาคืออรหัตผลก็ไม่ลุกแล้วพอพออธิฐานนั่งเสร็จพญามารก็ยกกองทัพมาเลยนะเป็นอันนี้เป็นปกติที่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มารจะต้องมาผจนเนี่ยนะ สำหรับพระพุทธเจ้าเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าไม่จกไม่อยู่ใต้อาณัตของมารแล้วนะมารเขาก็ต้องมาเรียกว่าเหมือนกับว่ามาปฏิวัติปฏิวัติลีกออกจากระบบของมารมารก็บอกไม่ยอมมาก็เลยมีการมาชิงบาลังก็ถือว่าบาลังนี่สําคัญที่สุดเพราะถ้าไม่นั่งตรัสรู้ตรงนั้นก็ไม่รู้จะไปนั่งตรัสรู้ที่ไหนที่ตรงนั้นเป็นที่สําคัญก็ศึกชิงบาลังก็เกิดขึ้น พระองค <g ul man> ์ก็กำจัดมารและกองทัพมาร <g ul man> ก็ไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขาหรอกปราลบว่าบาลังนี้คู่ควรแก่พระองค์พระองค์ถามว่าอาะไรว่าบาลังนี้จึงคู่ควรแก่พระองค์โพธิบัลังทําไมจึงคู่ควรแก่พระองค์ก็เพราะว่าพระองค์ให้ทานมาเป็นต้นแล้วใครเป็นพยานว่าท่านให้ทานมาก็บอกแผ่นดินนี่แหละเป็นพยานแผ่นดินนี้เป็นพยานเพราะว่ า, าพระองค์เคยให้ทานแล้วแผ่นดินไหวถึงเจครั้ง อย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ให้ทานและแผ่นดินไหวเจดครั้งนั้นแผ่นดินก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นพยามารก็เลยตกใจนี้กันไปหมดเลยกันนั้นพระองค์ก็ในปฐมยามเนี่ยนะคือหลังจากมาจากไปหมดพระองคก็นั่งกําหนดอาณาปานสติคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะ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 ทำความทศึกทความศึกษาว่ากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกระงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะด้วยปัญญาทำศึกษาในการกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สับกำหนดรู้ปีติรู้สุขเป็นต้นนะก็ตามแนวเพิจารณาอานาปานสติตามแนวสติปัฏฐานสี่ตามไป หลังจากที่พระองค์ได้จดตุทชาญเป็นบาปเนีนะคือเจริญอนาปานสติจนได้ฌานที่สี่นะนะอาศัยฌานที่สี่เป็นบาปพระองค์ก็น้อมไปนะนะเมื่อจิตเบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติในการก่อนเป็นอันมากคือระลึกชาติหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสาสี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติ พันชาติแสนชาติหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกับเป็นอันมากตลอดมีวัตกับเป็นอันมากตลอดสังวัตกับวิบวัตกับเป็นอันมากว่าในชาตินั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นนะเสวยสุขสเสวยทุก์เช่นนั้นเช่นนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดนะ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 วัยวัยถามว่าวัยอย่างไรก็ยกตัวอย่างว่าตอนที่พระองค์เล่าให้ฟังว่าชั่วพระองค์หายใจเข้าออกพระองค์ระลึกได้เก้กับนันะชั่วหายใจหายใจเข้าอย่างเดียวเฮ้ยนั่นแหละเก้บับถ้าหายใจออกอีกเก้กับก็คํานวณว่าหายใจกี่ครั้งต่อนาทีแล้วก็คํานวณไปอีกว่าหนึ่งนาทีหายใจกี่ครั้งชั่วโมงหายใจเท่าไหร่ก็คํานวณไาควรจะระลึกได้เท่าไหร่ดีก็คือแล้วพระพุทองค์เนี่ยไม่จําเป็นต้องระลึกตามลำดับ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 ถอยไปโน่นสหน้าข้ามไปเลยก็ได้เกิดข้ามข้ามข้า ม, า ม, ามและไม่สงสัยในระหว่างด้วยนะปัญญาขนาดนั้นไม่สงสัยในระหว่างก็สา ม, มารถระลึกได้อย่างพระโพธิสัตว์พระองค์นี้เชื่อว่าไม่น่าจะระลึกต่ำกว่า16อสงไขในการระลึกชาติระลึกไปเลย16อสงไข่นี่นะเราก็เอาเป็นว่าที่สวดมนต์เมื่อกี้จำพอได้บ้างกระแจวแล้วนะไม่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 องเราเองอะแค่เรื่องตัวเองยังนึกไม่ค่อยจะออกเลยนะเรื่องคนอื่นอะไรมากมายนะแต่ของพระองค์เนี่ยชั่วหมื่นโลกธาตุพระองค์จึงเป็นาศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะก็พิจารณาตรวจตราสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาอยู่อย่างในสี่ชั่วโมงแบบคนที่มีฌานสีเนี่ยรองรับหรือมีสมาบั ต, แติแดรองรับเนี่ยนะปัญญาที่มีสมรสมรระดับฌานที่สี่รองรับเนี่ย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 มโนกรรมมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสมมติถ้าเรามองด้วยสายตาที่ยุติธรรมระดับพระพุทธเจ้าสรุปชีวิตทบทวนมาทั้งหมดเลยกรรมที่เราทํานี้ควรจะสุขหรือควรจะทุกข์ในอนาคตเอาเอาสมมติถ้าพระพุทธเจ้ามองเห็นเราเลยนะเป็นผู้มีสุขไปข้างหน้าหรือว่ามีทุกข์นาหน้าไปข้างหน้าเอาเอาแบบแบบสายตาบริสุทธิ์เลยนะสายตาแบบดวงอาทิตย์ศาสตร์องวัฒถนนเส้นทางชีวิตข้างหน้าของเรานั้นควรจะเป็น เช่ไนไรอย่างเงี้ยนะงัมาน็ดดูนะทุกแน่นอนเลยนะ <g ül> ก็เตรียมผ้าซับน้ําตาไว้บ้างเ <g ül> ตรียมผ้าก๊อตไว้เช็ดแผลเป็นต้นไว้บ้างเป็นต้ น, นก็ดูถ้ามีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ก็เตรียมผ้าซับเหนื้ออะไรไว้บ้างเป็นต้นถ้ามีทุกเป็นเบื้องหน้าบอกอที่จริงก็ไม่ได้มีข้อแนะนําไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอานะควรแล้วที่จะเบือนหน่ายเขามีแต่พูดอย่างเงี้ยควรแล้วที่จะเบื่อนหนายในสังสารทุกควรแล้วที่จะคลายกําหนับในวัตทุข์ พอพิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดปั๊บคือพระองค์เนี่ยในการพิจารณาอริยสัตว์ไม่มีคนสอนเมื่อไม่มีคนสอนเนี่ยท่านคิดได้อย่างไงเนี่ยนะท่านก็มาจัด ก, กลุ่มของชีวิตเลยจักกลุ่มชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะกล่าวแล้วมันก็คือชรากับมรณะนะท่านเอาสาระตรงนี้เป็นหลักเลย คือคือมันก็มีอะไรที่เห็นเห็นอยู่ที่สุดของภพทุกภพชาติทุกชาติก็กคือชราและมรณะและชรามรณะเหล่านี้มาจากไหนนะก็ชรามรณะมาจากชาติว e. ิปากวัฏก็ปรากฏทั้งหมดอนะผลผลคือวิปากวัฏคือชาติชรามรณะมาจากไหนก็มาจากกรรมวัฏกรรมวัฏมาจากไหนก็มาจากกิเลสวัฏกิเลสวัฏมาจากไหนก็มาจากวิปากวัฏวิปากวัฏก็มาจากกรรมวัฏ มันก็ระบบเรียกว่าสังวัตจักเนี่ยนะวัตตะบวกจักกะจักกะแปลว่าหมุนวัตตะทั้งที่เป็นกรรมวัตวิปากวัตมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็มองทุกอย่างเป็นที่เรียกว่าเหมือนกับสิล็อกล็อกวียนนะล็อกวียนเรียกว่ากงรอบนอกกงล้อเกวียนเนี่ยนะไอ้รอบนอกที่กระทบกับพื้นนั้นเรียกว่ากงกงอันนั้นคือชราและมรณะ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 ศีลประทับอยู่บนแผ่นดินคือศีลด้วยพระบาททั้งคู่คือวิริยะใช้พระหัตถ์คือศรัทธ า, านะจับขวานขึ้นมาจับขวานที่รับดีด้วยแล้วด้วยหินคือสมาธิฟาดฟันลงไปในรถคือพบสามหล่านันะ้นฟันทักระยหมดเลยนะหัดดุมหักซี่ล้อหักซี่กงทั้งหมดก็ด้วยการพิจารณาทั้งพ่องก็เลยเรียกว่าเป็น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 แสงสว่างเรียกว่าวิปัสโนภาธเนี่ยแสงสว่างที่เกิดจากการพิจารณาชราและมรณะเนี่ยนะอันนี้จโตทุกข์โตโรคโตอนัตโตสารโตเป็นต้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นเป็นของมิใช่ตนเป็นต้นเนี่ยการพิจารณาไข้ครวญอันนั้นทําให้เกิดเกิดแสงสว่างขึ้นแสงสว่างเรียกว่าแสงสว่างคือปัญญาวิสว่างขึ้นถามว่าความสว่างอันนั้นเนี่ยสว่างโล่งขนาดไหนบอกว่าหมื่นโลกธาตุ วิปัสสนโภาสของพระโพธิสัตว์นี่หมื่นโลกธาตุก็เกิดวิความสว่างเพราะฉนั้นขอบเขตในการพิจารณาสังขารธรรมของท่านนี่มากไม่ใช่ว่าหยิบแค่หนึ่งเครียกว่าเอาภูตรูปบางส่วนนะปฐวีบางส่วนอาโปบางส่วนเตโชบางส่วนหรือว่าปฐวีออาโปเตโช ว, วาโย ο, บางส่วนหรือพิจารณาแค่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือแค่ ขันห้าบางส่วนอายตนะบางส่วนธาตุบางส่วนอินทรีย์บางส่วนปฏิจจสมุปบาทบางส่ว น, อ น, บ, ว น, บ, บ, วนบอกไม่ท่านพิจารณาบอกว่าแทบไม่มีอะไรเหลือยะยาบทมีเท่าใดบทที่ควรรู้มีเท่าใดปัญญาของพระพุทธเจ้าโคจรไปในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและไม่ใช่โคจรแบบแค่รับรู้แบบนักท่องเที่ยวไปเห็นเห็นเออสวยดีไม่ใช่แค่นั้นคิดพิจารณาแบบคนมีหลักการ แลนนั้ว่าทุกอย่างที่ท่านเห็นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยเห็นโดยความเป็นอันนั้เห็นด้วยวิสุทธิสีรวิสุทธิจิตตวิสุทธิเนี่ยนะรับทราบสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยอ่าสีลวิสุทธิจิตตียวจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิก็ไข่ควรโดยขันอายตนะธาตุสัจจอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทข้ามความสงสัยในพบสามใดทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่มีความสงสัยก็ไข่ครควรเมื่อ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 เดือดร้อนเสร็จแล้วก็แต่และอย่างนี่กว่าจะตกแต่งได้สำเร็จก็ยากเหลือเกินแต่ในที่สุดก็สลายไปเนี่ยนะก็สลายไปสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมกรรมที่นำไปสู่ทุกเหล่านั้นอง น, นะอายุหะนะกรรมที่นำไปสู่พบใหม่เป็นต้นเป็นทั้งเหตุแห่งพบใหม่ก็น้อมไปเพื่อการออกเรียกว่านิสระณะเนี่ยนะน้อมไปเพื่อการหลีกออกนั้นของก็ พิจารณาจนได้ตรัสรู้นั้นลำดับที่กล่าวไปเนี่ยนะก็สามารถค้นคว้าได้จากปฏิสัมพิธามรักเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ามียานนะวัตถุ 70, เจ็ดบเสามยานเจ็ดสิบเจดหรือว่ายานทุกอย่างเนี่ยนะที่เรียกว่ายานยานทั้งหลายปัญญาความรู้ทุกชนิดเนี่ยนะมีอยู่ในพระพุทธเจ้าหมดเลยนะยาณนะตัวนี้ปัญญานะไม่ใช่ยอมยานคนละอย่างกัน